Book 2 1สิบากิจกรรมดิลาตโนสตีมาท่าทำอะไรเธอทำงานในสำนักงาน ubi เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ona ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มาท่าอยู่ที่ไหนคดีเย่มาร์ตที่โรงหนังูคิโนเธอกำลังดูหนัง ONA ดูหนังปีเตอร์ทำอะไร ta าร่ายดิปีเตอร์เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย ON STUDIRA NA UNIVERSITETU เขากำลังเรียนภาษา ON STUDIRA JEZIKE ปีเตอร์อยู่ไหนอยู่ที่ร้านกาแฟโอคาฟิชูเขากำลังดื่มกาแฟ o อ, อนพีเอคาฟพวกเขาชอบไปไหนค u ด a อิดูราโไปดูคอนเสิร์ต นาคอนเสิรพวกเขาชอบฟังดนตรี oni rado slusaju muziku พวกเขาไม่ชอบไปไหน kuda oni ne idu rado ไปดิสโก้วูดิสโกพวกเขาไม่ชอบเต้นรํา Oni ne plešu rado.